ช่วยการรักษาวงสกุลพระพุทธศาสนาในทางศาสนาพระพุทธเจ้าเคยเทศเอาไว้ว่าศา ส, สนาของเราตถาคตจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบไปก็อาศัยพุทธบริษัทสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังเป็นผู้สนใจศึกษาธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนแล้วก็น้อมนามาประพฤติธปฏิบัต ฝึกหัดดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามระเบียบแห่งพระธรรมวิไนนยนั้นๆโดยไม่ขาดตกบกพร่องศา ส, สนาของเราตถาคตก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่าว่าแต่ห้าพันปีถ้าหากมีพุทธบริษัทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดศา ส, สนาของเราตถาคตก็จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงอยู่ตราบนั้นดังนั้นความเสื่อมความเจริญของศาสนาของเราตถาคต ก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทสไม่มีใครจะมาทําให้ศาสนาของเราเสื่อมได้นอกจากพวกเราเองอันนี้ก็แสดงว่าพุทธบริษัทก็เป็นลูกตระกูลหนึ่งเป็นลูกในตระกูลพระพุทธศาสนาดังนั้นพระพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือจเจริญก็อยู่ที่พวกเราซึ่งเป็นกุลบุตรกุลธิดาในตระกูลของพระพุทธเจ้าสมณะสักยะบุตร เราบวชเป็นสัมมณะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของเราเวลานี้องค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหนังไม่ปรากฏแก่เราแต่คําสอนของพระองค์ยังปรากฏอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ธรรมวินัยยังบริบูรณ์ศีลหศีล8ศีลดสศีล227ก็บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องหลักและวิธีการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็ยังมีอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะอยู่เป็นนักบวชก็ตามศึกไปเป็นคราหัส์แล้วก็ตามขอให้ยึดมั่นถือมั่นในการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนและก็เจริญเมตตาพรหมวิหารเสร็จล้วแผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วเป็นการผูกมิตรไมตรีกับสัตว์ที่อยู่ในโลกวิญญาณผู้ผีปีศาจถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราถ้าเราร้ายต่อเขาเขาก็ร้ายต่อเราสักขีพยานที่ปรากฏในคำผีมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งจานวน30รูป ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าภายในป่านั้นมีผู้ผีปีศาจดุร้ายพอตกเวลาค่ําคืนผู้ผีปีศาจมันก็ออกมาหลอกมาหลอนแสดงหน้าตาให้หน่าเกลียดน่ากลัวส่งกลิ่นเหม็นไปัสหลกบริเวณจนพระทนไม่ไหวก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสรงทราบท่านก็สอนให้พระภิกษุจเจริญบทพุทธคุณคืออิติปิโสบทธรรมคุณคือสวาขาโต บทสังฆคุณคือสุปฏิปันโนและให้เจริญเมตตาพรมวิหารเสร็จแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดจนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ด้วยเทินเวลาน้อมจิตน้อมใจนึก จะกล่าวเป็นคำพูดเบาๆพอตัวเองได้ยินข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบุญกุศลได้สวดมนต์เจริญเมตตาพรหมวิหารข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรจงอนุโมทนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้แล้วนี้ด้วยเทิญ อันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นจุดยืนของชาวพุทธใครจะมีคาถาอาคมหรือบทสวดอะไรเช่นชินบัญชรเป็นต้นก่อนอื่นให้ตั้งใจสวดบทดังที่กล่าวมานี้จบไปก่อนแล้วจึงค่อยสวดบทอื่นๆถ้าเราสวดบทดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันบทอื่นไม่ต้องสวดก็ไม่มีปัญหาอะไร